ได้ปฏิบัติมาเกือบปีแล้วแต่รู้สึกไม่ก้าวหน้าเวลาที่ปฏิบัติจะเห็นเป็นเม็ดทรายสีเขียวทุกครั้งที่ปฏิบัติและเวลาที่ออกกาลังกายเช่นวิ่งแล้วมีสมาธิเกิดขึ้นจะเห็นเป็นเม็ดทรายสีขาวสว่างสวยมากหมุนหมุ น, หมนไหลลงหลุมคืออะไรและจะปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้าต่อไปคะ่ะให้สนใจจิตให้สนใจจิตไอ้พวกอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปดูมันมาก แค่รู้แต่ว่าจิตเราเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเข้าใช่ไหมจิตเป็นปกติจิตจิตนี่กําลังจะลืมจิตแล้วกําลังจะไปดูเม็ดทรายเม็ดทรายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยิบยับยิบยับในอากาศมันก็เกิดขึ้นได้เวลาปฏิบัติเนี่ยมันมีนิมิตบ้างมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านั้นเกิดมาเพื่อให้เราเนี่ยมาดูจิตตัวเองว่ายินดียินร้ยนาย ไ, ไหมเข้าใจไหมพูดยาวสรุปว่ายังไงอาตาปีสัมบะชาโนสติมา วินัยโลเกอภิชาโดมมณสังมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียดายไม่อะไรเกิดขึ้นปล่อยเลยเอาจิตไว้แล้วมันจะสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของเราคือในโลกของเรามันจะมีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่มีตาก็ต้องเห็นใช่ไหมเห็นเราก็ต้องมารักษาจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นแฟนเขา ควงคนอื่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเข้าใจไหม <laughs> <laughs> เอาทำได้หรือเปล่าล่ะถ้าทำได้เราก็ไม่ทุกใช่ไหมล่ะแต่กลับมาบ้านค่อยว่ากันก็ได้ใช่ไหมล่ะ <laughs> คือคื อ, คอพอเราไม่ยินดีไม่ร้ายนี่เราได้เปรียบใช่ไหมวางแผนอะมาจะทำยังไงดีเข้าใจไหมใจสบายด้วยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่มาเนี่ยเอาละ <laughs> ต้องมีหลักฐานให้ได้ ต้องเอาให้อยู่คาหมัดคาหนังคาเขาค <Hey. S 2> าหนังคาเขานี่ดูอยู่บ่อยๆรู้วิธีแล้ว hmm. แต่ใจต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พอเห็นแฟนไปกับคนอื่นอาจจะไม่ได้มีอะไรกันก็ได้ปุ๊ดๆุดขึ้นมาแล้ว <Hey. S 2> มีอะไรกันหรือเปล่ากลับไปบ้านหน้าดูมึนๆ <laughs> แบบนี้ใครทุกข์อ่ะใครทุกข์เราทุกข์เอง เขาสบายแฮปปี้เขาแฮปปี้แต่เราทุกข์ขังทุกข์ขังนี่วิชาของพระเจ้าคือวิชาไม่ทาจิตตัวเองให้เป็นทุกข์คือไม่ทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่พูดกันลอยลอยพระเจ้านี่ตัดสู้นี่ก็คือเห็นความจริงชัดเจนทุกดับ สาวกของผู้เจ้าตั้งแต่อดีตก็สามารถบรรลุตามได้ดับทุกได้ปัจจุบันก็ดับทุกได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นลมๆแรงๆหรืออย่างน้อยเราปฏิบัตไปทุกน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปใครทุกน้อยลงไปบ้างยกมือขึ้นนี่ถูกต้องอ่านี่ลูกผู้เจ้าสาวกผู้เจ้าแน่นอนละใช้ได้แล้วลูกศิษย์ใครอีก <laughs> ถ้านั่งอยู่นี่ก็ลูกศิษย์เจ้นก็ชิตไปที่อื่นก็ลูกศิษย์คนอื่นเนาะ <laughs> ไม่ว่ากัน